สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยห้าเรื่องยกส้นเท้าใส่เราพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในวันนี้คืออยู่ในพระธรรมยอญบทที่สิบสามพระธรรมยอญบทที่สิบสามข้อที่สิบหกจนถึงข้อที่ยี่สิบครับพระธรรมยอญบทที่สิบสามข้อที่สิบหกจนถึงข้อที่ยี่สิบ เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเปล่าจะเป็นนายก็ไม่ได้และธูดจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หาไม่ได้เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขเราไม่ได้พูดถึงพวกท่านสิ้นทุกคนเรารู้จักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นจริงตามข้อพิมพ์ที่ว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เรา เราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดได้รับผู้ที่เราใช้ไปผู้นั้นก็รับเราด้วยแต่ผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาพี่น้องครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับผมอยากจะใช้คาว่าอยากจะเปลี่ยนคาว่าส้นเท้า ให้เป็นคาที่ดูเหมือนจะอยากขายแั่เล็กน้อยนะครับก็คือคาว่าส้นตีนพี่น้องหลายท่านอาจจะคิดว่าผมพูดคำอยากคายนะครับแต่โปรดฟังเหตุผลในพระคัมภีร์นั้นเมื่อพระเยซูล้างเทา้าพระเยซูก็พูดถึงส้นเท้าในอีกมุมหนึ่งครับ ในข้อ18พเยชูได้ยกข้อพิอมพีจากพระธรรมสรุป ด, ดีบทที่41ข้อ9พเยชูโค้ชอย่างนี้นะครับว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราก็ได้ยกส้นเท้าใส่เราเซนส์ของพังพีตอนนี้ก็คือว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นตีนใส่เราหมายความว่าย่งไรครับคำว่าตีนนั้นจะดูเหมือนเป็นคําไทยโบราณ และดูเหมือนฟังแล้วไม่ค่อยสุภาพแต่ไม่มีความหมายของความรุนแรงซ่อนอยู่มันมีความหมายของการเกลียดชังซ่อนอยู่มันมีความหมายทางลบในเชิงลบซ่อนอยู่แต่ถ้าเราใช้คําว่าล้างเท้านะครับเราใช้คําว่าล้างตีนมันก็ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าการล้างเท้านั้นความหมายจะอยู่ในเชิงบวกแต่ถ้าเราบอกว่ายกส้นตีนใส่แสดงว่าคนคนนั้นนั้น ประยศหักหลังคนคนนั้นนั้นไม่จริงใจคนคนนั้นหน้าไหวหลังหลอกคนนั้นนั้นมีความปรารถนาที่ไม่ดีแต่เมื่อพระเยซูได้กล่าวว่าคนที่กินอาหารโต๊ะเดียวกันหรือกินอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราก็หมายความว่าพวกเขานั้นมีความปรารถนาร้ายเป็นเชิงลบที่มีต่อพระเยซูถามว่าใครคือคนคนนั้นคาตอบก็คือยูดาห์ พระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ให้โอกาสและให้อภัยให้ความรักกับผู้คนเสมอเรามักจะพูดว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองวกาศ is the god of the second chance วันนี้ผมได้ยินคำคำหนึ่งในวิทยุครับเมื่อฟังวิทยุเขาใช้คำว่าโอกาส และผวนเป็นอาจโกโอกาสอาจโกมีความหมายไหมครับหมายความว่าโอกาสนั้นมันมาแล้วนะครับมันอาจจะหลุดลอยไปได้โกนี่เป็นภาษาอังกฤษครับอาจโกก็แปลว่าอาจจะหลุดลอยไปอาจจะวิ่งหนีไปอาจจะหายไปได้พี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองพระเยซูเองนั้นโร่งส่งให้โอกาสยูดาในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่า พระเยซูได้ทรงเลือก12คนให้เป็นสาวกของพระองค์เป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูนะครับใช้คําว่าอักขระสาวกหรืออพอลอักรสาวกก็คือสาวกใหญ่ครับมีคนพูดอย่างนี้ว่าเออถ้าเมื่อพระเยซูเลือกแล้วเนี่ยมันยังหลุดได้หรือความจริงแล้วพี่น้องผมอยากจะอธิบายว่าเมื่อพระเยซูเลือกแล้วนะครับไม่มีวันหลุดครับแต่ พระเยซูได้กล่าวว่ามีหนึ่งในพวกท่านนั้นเป็นมารร้ายหรือพ่อของเขาคือมารร้าย mm hmm. นี่นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการเลือกของพระเยซูนั้นเป็นการเลือกแบบให้โอกาสเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงให้โอกาสอยู่ดัสร้ายทั้งเลยทีเดียวในบทเดียวกันนี่นะครับในข้อที่11พระเยซูก็พูดครับพระองค์ทรงทรงาบว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้ เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคนในข้อสิบครับเปเยซูบอกว่าผู้ที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชาระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ทุกคนเปเยซูกําลังพูดถึงพวกท่านที่สะอาดแล้วคือสิบเอ็ดคนที่เป็นสาวกแต่อีกคนหนึ่งยังไม่สะอาดครับแต่เมื่อไม่สะอาดนะครับเท้าจําเป็นที่จะต้องอาบน้ํา พระเยซูให้โอกาสเขากลับใจเสียใหม่แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะยูดาสนั้นไม่รับโอกาสของพระเยซูสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับในข้อสิบหกพระเยซูกำลังบอกความจริงกับพวกสาวกว่าเบาจะเป็นนายก็ไม่ได้มีความหมายว่าเบาจะใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หา ม, ไม่ได้ พี่ลองครับขณะที่ยูดาสนั้นคิดจะขายพระเยซูคิดจะทรยศกับพระเยซูสิ่งที่เขาคิดคืออะไรครับเขาคิดว่าเขาจะเป็นนายเหนือพระเยซูครับเขาคิดว่าเขาจะหลอกใช้พระเยซูเขารู้ว่าพระเยซูจะต้องหนีได้เพราะพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่เสด็จมาในนามของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูอย่างไรก็าตามไม่มีทางถูกจับแน่นอนพอเขาก็กิน ฟรีๆไปสามสิบเหรียญครับพี่น้องครับคนที่คิดจะแมนิ пу เลตพระเจ้าคนที่คิดจะใช้พระเจ้าแทนที่จะให้พระเจ้าใช้เราระวังนะครับจะไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นบ่าฤจะใหญ่กว่านายเขาเป็นผู้รับใช้ิจะใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปเขาเป็นทูตฤจะใหญ่กว่ากษัตริย์ พี่น้องครับคนที่ทำอย่างนี้ไม่มีความสุข <c oughs> คนที่ทำอย่างนี้มีแต่วิบัติครับเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับอย่าลืมครับโอกาสอาจโกได้ในวีรเดียวกันนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งการให้โอกาสเราจะต้องเปิดใจต้อนรับพระเยซูเราจะต้องมีนิสัยแห่งการกลับใจใหม่เสมอ เราจะต้องให้โอกาสคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพียจูบอกก่อนล่วงหน้าครับเวลาเกิดจะได้รู้พี่น้องครับหลายใครั้งทีเดียวพระกัมพีได้บอกเราล่วงหน้าหลายสิ่งหลายอย่างครับแต่หลายคนไม่ค่อยสนใจหลายคนไม่ฝักใจไม่ฝักใฝก่หาสเบียงไว้เลี้ยงตัวในคราวหน้าหรือในเวลาสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้น เปเยซูก็บอกครับบอกว่าใครรับผู้รับใช้ของเราผู้นั้นก็รับพระองค์และใครรับพระองค์ใครรับพระเยซูผู้นั้นก็รับพระบิดาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ฟังพระกัมพีผู้นั้นก็ฟังพระเยซูใครที่ฟังพระเยซูผู้นั้นก็ฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่ฟังพระกัมพีเชื่อพระกัมพีทําตามพระกัมพีเขาก็จะทําตามพระเจ้าพี่น้องครับน่าคิดนะครับ หลายครั้งทีเดียวเราอาจจะเป็นคนที่ยกส้นเท้าใส่พระองค์ก็ได้พูดหยาบนะครับเราหลายครั้งทีเดียวยกส้นตีนให้พระองค์เพราะอะไรครับเพราะการการะทาของเรานั้นเป็นการทรยศต่อพระองค์การการะทำของเราในหลายหครั้งทีเดียวเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวเราได้ทำให้พระองค์เสียพระไ LM. ท่รงให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่ง ในการกลับใจใหม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอาเมน